วันนี้จะเ็ศเทศเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องโาวนาให้ฟังในสมัยเวลาเวลานี้กำลังทำบุญทอดกฐินกันยุ่งสายมดทุกแห่งทุกหนทอดกฐินกันดังนั้นการทำทานเป็นเรื่องความดีอันหนึ่ง ซึ่งทางพุทธศาสนาของเราถือว่าเป็นการชำระกิเลส ข, ของตนขันตนการนำทานเนี่ยคือการสระมัทยะานเยมแน่นแน่นมีอยู่ในสันดานของตนอาหาว่าปฏิบัติฝึกหัจนกะึงมรรคผลนิพพานอันนี้สมงตามถึงมรรคผลนิพพานหนึ่ง คือว่าได้ถึงมรรคนนิพพานแล้วไปตามไปด้วยการดำทานนี้อันนี้ส่งนั้นเป็นเพไให้มีพวกมีคนนิยมนักถือมากไม่อดไม่อยากมีลาบแต่การรุ่งรวยอยา่างก็ฉีพดีเป็นต้นไปไหนไหนกระเทียววูดเดียวได้ยินพรมนิยมนักถือเรื่องใส มันเป็นผลทานที่ติดตามไปเรืนองการทำทานนักาุญทั้งหลายท่านยังชมเชยเส น, สนเสริญเคารนับถือการทำทานควอนที่จะให้เมื่อข้องอะไรที่เราจะจัดทำบุญทำทานก็เคารพนับถือบูชา ในการที่ทำอยก็เคารพนับถือบูชาไม่ไม่ให้โดยอาการเหยียดหยามไม่ให้เองโดยอาการที่ทอดทิ้งเหมือนกับให้ของที่เป็นเดนไม่ให้ของแกสุนัขสัตว์ยังงเป็นตน้นอยเคารพนับถือของมีราคามากของมีราคาน้อยถ้าคาม เารับถือจริงๆริงจังโดอเป็นของมีราคามากขึ้นการนับท้าไม่ได้เฉพาะจอจงก็จริงมากอย่างเดียวขอให้ศรัทธาเลื่อมใสพอใจยินดียิ่งและก็เป็นของมากเองถ้าไม่พอใจเลื่อมใสไม่เคารพนับถือในผลในทางของตนก็เป็นของมีอเนกสงน้อย คนที่ไม่มีปัญญาเท่านั้นนะคิดติทิติทตานทานไม่ได้ผลไม่ได้พูดสนอะไรต่างๆทานนิเ็กเนน้อยมันจะเป็นผลอะไรของเล็กๆเนน้อยจะไปแลกหราอว่าผลานิพาไม่จะได้เรื่องลยนะคนไม่มีปัญญาคนที่นั้นไม่มีปัญญา ยกโทษดูถูกทานเหตุอันทานนี่ไม่ใช่ของหยากไม่ใช่ของตื่นเป็นของละเอียดลึกซึ่งคนที่ไม่ทำทานเมื่อเกิดในชาติใดชาติใดก็เป็นคนอดอยากลำบากทุกไรเข็นใจจนถึงมื่อคนนิพพาน เขไม่มีอานิสไม่มีอั น, น, อ น, นิสงส์ไม่ตามถึงไม่ตามส่งถึงสำเร็จวัตถนี้ผ่านแล้วไม่มีราพิการละปืดเรื่องอดอยากลำบากมีเรื่องเล่าไว้สามเนนน้อยองค์หนึ่งบวชในพุทธศาสนา ไอพีเนี่ยบาดก็ไม่ได้ชันสักทีไปขหม่เขาฮันหาว่าเขาจักวาเขาแจหัวแถวถึงเนี่น้อยกับมดเนี่ยน้อยอยู่หางแถวมดก็ไม่ได้ใส่เพื่อนตรงสารเอ็นดูเลยให้ไปอยู่หัวแถวเขากลับใส่หางแถวไปอีก เขาไปถึงเน่น้อยมดของเก่าให้ไ ป, ไปอยู่กลางคนนี้เมื่ถึงเขาก็ลืมนะเลใส่ของอื่นสั่แล้่เดียวกินอิ่มสาทีหมู่เพื่อนให้ท่ค่อยได้กินเล็กๆแน่ยน้อยรักษาริบุตรท่านเจนโดตสงสารจับขอบปางปาดไว้ แต่อาหารแม่จะจับขอบปากปากไว้ถ้ า, าไาม่น้อยอยางไม่ได้ฉันอิม่มอิ่มมันนั่นก็นเลยเกิดสลดสังเวชในใจของตนเพราะตนไม่ได้ทําทานด้วยก่อนจเจริญสมาธิสมา บ, บัติจนได้สาเร็จลงพลานในวันนั้นนี่อาการที่ไม่ได้ทําทานทานนี่มันมีอันนี้สูมาก เราเรียนไหวแจะเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่จะถึงพระานทีเดียวน้อยนักน้อยหนาที่จะถึงพระา槃แล้วเกิดมาชาติใดชาติใดก็ต้องอยู่ในวัฏสงสารนี้เราทำทานเพื่อในอนาคตข้างหน้าเพื่อชีวิตของเราในข้างหน้า ทำไมทุกยากลาบากกลนกรรมันยังว่าการทําทานในสงฆ์อย่างนี้ดันั้นยังไม่ควรประมาทผู้ที่มีปัญญาทำบุญทําทานไม่คิดหวังอะไรมากมายโดยการทําทานในพุทธศาสนาเท่านั้นหวังประโยชน์เพื่อบํารุงพุธหนุนข้ามจุน พิกิุสามเนเองจะได้ปฏิบัติฝึกหัดธรรมวินัยต่อไปถ้าหากว่าไม่มีคนอุดหนุนบำรุงท่านอยู่ไม่ได้เพราะิกิุสามันเองไมีมการธรรมาค่าขายต้องอาศัยคนอื่นอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีพ เป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งก็เรียกว่าชีวิตอยู่กับคนอื่นส่วนภิกษุสามเณรผู้ที่รับทานท่านคิดถึงเข้าชาวบ้านอย่างนี้ก็ได้ขยันบันเพียนวิสาธรรมจิตจวัดของตนธุระของตนให้สมกับชาวบ้านที่ให้เขาภิกษุที่ นับทานเข้าชาวบ้านมาแล้วกินแล้วก็นอนไม่คิดถึงคุณประโยชน์ที่ชาวบ้านอุดหนุนทอดทุระจิตวัตรของตนกินแล้วนอนกินแล้วนอนเหมือนกระหมูมั น, มนพูดไปอย่างนั้นเหมือนกระหมูบ้านหมูบ้านเนี่ยเขาผลือให้อ้วน โดมต้องบูนแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกเขาะจะไปใช้อะไรก็ไม่ได้นอกจากเอาไว้ขากินเนื้อมาเท่านั้นเนี่ยพิสุสามเณรในพุธทธศาสนายิ่งทำาด้คนนั้นอีกินเนื้อพระก็ไม่ได้นอกจากกินไม่ได้แล้ว ยังเป็นภัยของพุทธศาสนาไปอีกเหนั้นการทาทานในคิดถึงประโยชน์ถึงอย่างไงไงเขาคิดถึงประโยชน์ในการที่ว่าเชิดชูธนบุญของพุทธศาสนาเป็นพอเรื่องของพระเป็นเรื่องขนึ่งต่างหากเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราเราทําก็เป็นเรื่องของเราเราทำดีหวังดีก็เป็นเรื่องของเรา อย่าไปเลือกหาแต่พระที่ดีดมีไปถูกคนพระเก้เขาก็ได้อย่างเรื่องที่เล่าใ ห, ให้ฟังเคยเล่าให้ฟังบ่อยว่าทำมายึกทำบุญเก่งจนได้ไปขึ้นสวรรค์ทาบุญให้พารอาหารได้ไปตกนรกมีเรื่องเล่าไว้ว่าเศรษฐี แกทำบุญทุกวันทุกวันผ้าทังสี่ังห้าร้อยองค์เช้ามากับพระถือบากบไปเปี่ยนธบาตบ้านเศรษฐีในชั้นที่นั่นเลยทุกวันทุกวันโจรคนหนึ่งแกคิดอุตรีขึ้นเอ๊ะพระนี่รวยหนิเราจะต้องบวชไปให้รวยกับพระสักทีหน่ย ไอ้กวนหัวนุ่งเหลืองของเมืองเลยก่นอนพระเดินไปทานกลางทางก็เลยเข้าโมูกพระเลยไปฉันบ้านเศรษฐีก็เข้าหาเศรษฐีก็จัดสำนักไป 500, ห้าร้อยสำนับไม่พอเอ๊ะมาเพิ่มอีกวงหนึ่งมาจากไหนกันมาจาบพระกัเลยจัดสํำนับมาเพิ่มเติม ต้องมองดูในผ้าในหมายังไงกันในเวลาท้ากลับแก่กับสะกดรอยอันนี้มาถึงกลางทางเก้่กับหมเายโงคนนั้นเกิติดเข้าไปในปา่าเนี่เรื่องใสยสัทธาอกูก็มีป่าที่ห่านมากแมวนี้เรื่องใสยสัทธาอย่างยิ่ง อาหารทานรอยเลยไม่มีเลยไม่เกิดสถางเกิดสถางเ์้าะเจ้าหนึ่งเดียวม้โจนองเดียวแปลว่าทำบุญแก่งจะวุ่นเด็ดว่าไปสวรรค์ทาบุญเก่ว่าอาหารได้ไปตกนรกดูถูกนินทาพระเลยได้ไปตกนรกผ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยดูถูกมดอันนี้เป็นหัวขอ้อ เป็นเรื่องนิยายชักมาไปดูท่าหอนมีอุเทศข้าถาที่อธิบายต่อแบบนี้ว่าทานังสีหลังวัคติภาวนานังประเวทวาเอกจังสักขังคติเอกจังโมขังคติไหวนี้ ทานางคือการให้การให้คือสละสิ่งของที่ของตนมีอยู่นั่นแหะไม่ใช่ไปยืมเข้ามาไม่ใช่ไปขอเข้ามาไม่ใช่ไปรักขโมยของเขามาของเรานี้อยู่เท่าไหรน่น่ะจากพระสละของเราเท่านั้นแหละที่มีอยู่ อาหารเราไปยืมเข้ามาก่อนเดือดร้อนวุ่นวายกู้ไปยืมเข้ามาเดือดร้อนวุ่นวายไปขอเข้ามาก็เดือดร้อนวุ่นวายจะเป็นปลักขโมยเข้ามาก่อเดือดร้อนวุ่นวายด้วยเหตุที่เราทำไม่ดีที่เราไปเอามาแล้วน่ะไม่เป็นเป็นของเดือดร้อนของที่มัอยู่แล้วหนี่งมากเล่นน้อยให้ดุจความสบายใจให้แล้วก็เกิดตื้มปีติ อี่มกอิอ่ใจเราเด็ดสาะจากหาแล้วเวลานี้ของที่ไม่อยู่ในตัวของเราของที่ไม่อยู่ในบ้านในเรือนของเราเป็นสมบัติของเร า, แ ล, เร า, ราออแล้วเราสารเอกไปเรียวกว่าสารสมบัติทนั้นแรกเอาข้อมห่วงแขงให้ได้ความเยือกเย็น อของไม่อยู่จะต้องผูกปักรักษาของไม่อยู่ต้องหวงแห็นของไม่อยู่ต้องกังวลเกี่ยวข้องพระราจากพระกรแล้วเบิกบานใจนั่นเรียกว่าบุญบุญคือความสบายบุญคือความเบิกบานถ้าหาไปรักไปขโมยไปยึงเขว่ามันไม่เลือนมันไม่สบายมันคิดถึงเรื่อง จะใช่นี่แฉกฉินก็อยู่คิดถึงเรื่องการที่ไปขโมยเข้ามาเป็นของรอนอันนี้ไม่ได้ักเช่นนั้นไม่ได้ไปทําเช่นนั้นของที่เราไม่อยู่ละไปจึงได้ความสบายเบิกบานคนที่ละใจฆ่าออกไปแล้วได้ความเบิกบานนั้นมากเลยน้อยตามกําลัง บางคนเนี่ยสาระจาพระจริงๆบางคนอิ่มโอเคมใจจริยยงทานในข้าบาทที่บาตเนี่ยโอ้อิ่มโอเคมใจปึ้งปีติเหมือนกันกับว่าได้เงินเป็นหมื่นๆนั่นมันคุ้มค่าเหลือค่าไปอีกในจาพระคือสาระจาคระคือสาระ ของเราห้ที่มีอยู่ทานังสีหลังละกติอันนี้ศีลแหละอันอนี้ไม่มีวัตถุิีลด้วยเจตนาจริงๆงดเว้นจากความชั่วเฉพาะตัวของเรานี่ในตัวของเราละละมดความชั่วที่มีในตัวเราไม่ทำมันยังเราได้บุญมาก ทำบุญตัองร้อยครั้งกันทีก็มไม่เท่ารักษาศีลทิมธนว่าไว้อย่างมันจริงอย่างที่ธนว่าการทําทานนั่นก็เรียกว่าได้บุญนักโข อ, อยู่แล้วแต่ว่าทานไปได้ต้องหามาอีกต้องทานอีกควกงงกิ่มอิ่มอิ่มใจพึ่มพิินี่อยู่อย่างนั้น แต่การรักษาศีลเนี่ยนี่ขุดลากคุดเงาออกไปจากใจที่เคยขาาสักรักทรัพย์พผิดใมช้าจานกาของของุตสาวาเ ด, ดิอมตุลาไม่ไรมันฝังอยู่ภายในแล้วุดสระออกไปหมดลากหมดเงามมนเลยสาะการให้ ละเขาเรียกว่าสิ่นี้ก็เป็นการละรเหมือนกันสระโดยเจตนาสระโดยการไม่เบียดเบียนสระโดยการไม่อิสานดิสยาสรละโดยการไม่โลภโกร่งโมโหโทษโงสระไปหมดเลยมีความเยือกเย็นในภายในใจ ยิ่งเย็นกว่าทานอีกเดีนไม่ใช่เย็นแต่ในขณะทิ่ฐานเท่านั้นตั้งหลายปีหลายเดือนต่อไปบางทีตลอดชีวิตการละโดยการเจตนาอย่างนี้เป่งของมีคุณค่าประโยชน์มากแต่คนเราก็อยากทานน่ะสิหวงแขนน่ะสิ ผมชั่วนะั้นไม่อยากทาบุญไม่อยากทำทานไม่จักรสร้งเห็นไปให้เป็นสบัสิ์ของต น, นคนสระรอะไรจวออเป็นของยากคนที่สระได้ยากของที่สระได้ยากด้เชื่อเป็นของดีเลิศวันนี้เรียกว่าสีหลังและกติ รักษาตลอดเวลานี่เป็นการงดเว้นในการงดเว้นจากความชั่วทำตัวเราให้ดีขึ้นโดยดำาๆในชาหนึ่งชาหนึ่งเ้าเกิดขึ้นมาหากได้รักษาศีลไม่ทำความชั่วไม่ทำกรรมทำเวรมีชินห้าไว้จํงเป็นนิดในคิตของตัวนีอย่างนั้น ได้ช่วแบ่งเบาภาระของกรรมทั้งหลายให้หมดสิ้นไปกรรมเก่าก็ไม่ทำไม่กรรมเก่ากาหมดไปกรรมใหม่ก็ไม่ทำอีกมีเวลาเบาบางในวันที่จะใกล้จะถึงปณิพการภาวนานางพระเวทตะ ว, ว่าให้เจริญภาวน า, นา เอานี่ยแหละไปเจอน่นไกะเอา้อมามนาเนี่แหละรู้สติเอาไ้ศิลานสติชาคาสตินี่ยดูยลึกถึงชาคขาของตนลึกถึงสินของตนอย่างที่อธิบายมาแล้วนันเกิดขึ้นปีติอิมโอกิงใจเรื่อตลอดเวลาจิตใจมันกรดควาใสสะอาด ไห้มัวหมองเอาเป็นอนุสติจริงๆอนุสตินัน้นเราลึกถึงฐานจินเท่านี้ละเรืงของรลึกถึงคุณงามความดีเท่านี้นะเป็นเหตุไม่ให้ละไม่ให้เป็นเหตุให้ละความชั่วไม่สามารถที่ความชั่วจะเข้า ม, มัวหมองจิตใจได้ จิตใจเบิกบานเกี่วกับความดีทำบุญทาทานไม่ลึกไม่ลึกถึงทำทานักษณะีลึกถึงสักทีมันไม่เป็นประโยชน์คนผู้มีปัญญาต้องเป็นอย่างนั้นต้องระ ล, ล, ลึกถึงอย่างนั้นอยู่เสมอถึได้ค่อว่าคนทำดีรักษาความดีของตนไว้ ถ้านึกเพิ่มความชั่วนึกเพิ่ความดีนั่นจะตลอดเวลาจิตใจก็เบิกบานเนี่ยภาวานานางพระเวทว่าจิตใจพองใสสะอาดอันนี้เกิดปัญญาได้หรือี่ต่อไปอีกจิตใจพองใสเบิกบานนะมันในคิดค้นว่าอาจจะทำ ท, ที่จะทําดีอันใดที่เป็นของดีนั่น คนคว้ามามาทำหามาพื้ปฏิบัติอย่างทาทานก็หาเอาสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ปราศจากโทษเอามาทําทานรักษาฉินก็เหมือนกัน <c oughs> รักษาฉินก็ได้ชื่วยรักษาคนดีคนชั่วให้เข้ามาแปดเปื้อนไม่ว่ารักษาคนกินของตน ให้บริสุทธิ์หมดจดอยู่ตลอดเวลาวันนี้เลยเป็นภาวนาเย่ า, างว่าฮานังศีหลังรักษติภาวนานางพระเวทตาวาทั้งสามอย่างนี้แหละเอกัจจังสักขงังจิติอันนี้เป็นบันไดสามขั้นเท่านั้นขึ้นถึงชั้นฟ้าสวรรค์เลย ไม่ต้องไกลไม่ต้องสูงมันได้สามขั้นเท่านั้นแหละทานศินภาวนาถึงสวรรค์เลยทีเลียวไปกายตรงไหนกลาย้าไปถึงหัวใจที่นั่นแหละกเข้าไปภายในใจของเราเนี่ยหละให้ทานศินภาวนามีอยู่ในใจของเราเนี่ยผ้าตรงนี้ขึ้นถึงสวรรค์ได้ผ่านเลย ในกระจังโมกขังเราจะตีพ้นพ้นจากโลกได้เลยถ้าทำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นท่านทำไม่เป็นมวัวเมาเด่ทำทางโลกปรารถนาอยากได้ทรัพย์สมบัติอยากขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์อยากเป็นนางเทพดาสอนได้วุ้ยมาหมายรักษาศีล ก, ก็ราะฉะ น, นั้นเหมือนกัน นานาเพราะน้ากว่าเชนนั้นเหมือนกันไม่คิดอะไรมากมายมันก็ไม่ได้ขึ้นไม่ไม่เป็นโมกขังก็จะติอะดีมันก็ไม่พ้นอะไเดียวงว่าคนทําทานนักษาศีลถ้าทำเป็นมันก็ถึงมรรคในผานได้เหมือนกันถ้าทำเป็น ก, ก็จะเพียงสวรรค์เนน่านนแะหรือเพียงมนุษย์เนั้นแหะ ปฎิฐานะมนุษย์สมบัติทำคนท้าทาย้งแต่เกิจริงเพราะนายก็ปฎาฐานาแต่มนุษยธรรมบัติหัวรนะควรนายควรจะหนีจากมนุษย์อันนี้อยากเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดมนุษย์อันนี้บางคนเห็นว่าสวารรค์แลนะรับความทุกข์ก็ปฎถนานะแต่วสวรรค์อย่างเดียวการที่เป็นมนุษย์ ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ใครก็เกิดมาเห็นแดงทุกคนไม่มีใครบ่นวานสุกสักคนเดียวคนที่ว่าเกิดไว้มนุษย์ได้สุขมันค้นหลงทุกข์อยู่แต่ห่างหลงมาสุขมันเกิดชั้นฟ้าสวรรค์แล้วก็เคยเกิดแต่ยิเขาเล่าก็เลยอยากไปเกิดชั้นฟ้าสวรรค์มันแบมันเกิดมามั่วจัน ฉันพ่อแต่ว่านะั้นเกิดกับเกิดเรือนนุษย์ยีอของเก่าน่นแหละความพ้นทุกได้แก่ปนิพันธ์นั้นไม่เคยปรารถนาเลยเแสดงว่าทานถินภาวนาทั้งสามประการเนี่ยเรียวกว่าบันไดสามขั้นแค่ถึง สวรรค์ฉันว่ารึถึงมรกคเนิพานมาม ย, ยู่ไหนนี้ถ้าปราศจากนี้แล้วจะก้าวขึ้นไม่ได้ขึ้นบ้านขึ้นเหลือนจะไม่มีบันไดขึ้นไหนไหนต้องมาคล้องแควสิงขึ้นขึ้นเอามาคล้องแค่ลทั้งสามพันอ่างค้องแค่วิถึงจะไปถึงเนปนิพานได้